พรหมก็พยากรณ์แก่พิกษุนั้นตามลำดับโดยสมควรแก่กถาว่าท่านผู้เนรทุกข์ข้าพเจ้าไม่มีทิฐิและทิฐินั้นในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฐินั้นล่วงไปแล้วและเห็นรัศมีเป็นประพัดสอนในพรหมโลกอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าพรหมโลกเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรนะนะก็คือพรหมนี่เปลี่ยนทัศนคติใช่ไหมจากพรหมนี่มันนนินกะสูตรเนี่ยนะพรหมก็เปลี่ยนความเห็นไปแล้วเพราะนั้นผู้ใด ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้จักเหตุที่ทําให้พรมเนี่ยเปลี่ยนทิฐิเพราะฉะนั้นมารท่านประทุษรายภิกษุเช่นนั้นท่านจะประสบทุกข์อย่างหนักอย่าเบียดเบียนผู้มีศีลเลยจะเดือดร้อนในตอนล้างเนี่ยนะที่จริงอะนะอย่างว่าไอคนที่มีอํานาจเนี่ยไอตอนที่บาปมันกลุ่มรุมเนี่ยเหมือนกับบาปไม่ตามมาถึงตนใช่ไหมก็เลยทำกระบาดสุดฤิ์สุดเดชในเวลาบาปมันให้ผลนะก็เจ็บปวดร้อนทุรนทุราย ภิกษุใดได้กระทบยอดภูเขามหาเนรุเนี่ยนะมหาเนรุก็คือภูเขาสินเนรุเนี่ยแหละด้วยชมภูทวีปและปุพผาวิเทหทวีปพวกนรชนผู้อยู่ในแผ่นดินเนี่ยนะด้วยวิโมกภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมานถ้าท่านปทุสรายในภิกษุเช่นนั้นท่านจะประสบทุกข์หนักเนี่ยนะก็คือพระมหาโมคลานะเนี่ยท่านมีฤทธิ์อะนะนะตอนที่ พระพุทธเจ้าสแสดงยมกกาปาติหารก็พระโมกขลานะก็เป็นผู้ที่คอยไปสอบถามพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่ย่นแผ่นดินเนี่ยนะย่นจากเมืองเมืองไหนเมืองสาวัตถีไปเมืองสังกัตสะซึ่งหนทางเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเนี่ยนะงั้นของของพวกเราที่ได้ตอนที่ไปเมืองสาวัตถีแล้วก็จะไปที่เมืองสังกตสาเนี่ยต้องไปไปแวะพักที่เมืองอะไรนะการปูใช่ไหมต้องไปแวะพักที่เมืองการปูแล้วก็ต้องออกตะดึกเนี่ยนะไปเพื่อที่จะ ไปที่เมืองสังกัสรก็ไกลมากพระหมหาโมคคลานะพาบริษัทไปแป๊บเดียวเนี่ยนะพาประชาชนไปอยเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยพาไปแป๊บเดียวก็เหมือนกับเดินทางไปวัดปกตินี่แหละท่านท่านสำท่านมีฤทธิ์มากขนาดนั้นนะนะเพราะฉะนั้นท่านสา ม, มารถย่นย่อแผ่ น, ด, น, นดินท่านเดินทางไกลได้แล้วก็ ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะเคยขอพระพุทธเจ้าเมื่อพรรษาที่12หลังจากตรัสรู้เนี่ยนะว่าขออนุญาตพลิกแผ่นดินและเอาง่วนดินเนี่ยนะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาเป็นอาหารถวายพระพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตเนี่ยนะซึ่งท่านสามารถที่จะพลิกแผ่นดินก็ได้อะไรก็ได้ท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นอย่าเบียดเบียนพระโมคคลานะนะท่านจะเดือดร้อนเนี่ยนะท่านถามว่าพระโมคคลานะเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนพานใช่ไหมพระโมคคลานะจะมาฆ่าคนพานใช่ไหมถ้าโต้ตอบพระโมคคลานะบอกไม่หรอก คนผ่านเนี่ยนะคนผ่านไอ้ความที่ตัวเองโง่เขลาเข้าไปในกองไฟที่กําลังลุกโชนก็เลยเดือดร้อนที่จริงเนี่ยนะไฟไม่ได้มีเจตนาจะตั้งใจเผาคนผ่านเลยไฟเนี่ยเคยคิดม้างไหมว่าตัวเองจะเผาโน่นเผานี่คิดไหมไม่หรอกไฟไม่คิดว่าจะเผาเราแต่เราเนี่ยย่อมเผาตนผู้เป็นคนผ่านไอ้คนพ่านเนี่ยโง่ ก, ก็เห็นว่ากองไฟเนี่ยไอ้ความที่บอดเขลาเดินไปเข้ากองไฟซะเองเลยเนี่ยนะ มานท่านอย่าเบียดเบียนท่าตถาคตเจ้าแล้วต้องประสบบาปไม่ใช่บุญอย่าทําบาปให้แก่ตัวเองนักเลยแค่นี้มันก็บาปหนักหนาอยู่แล้วเนี่ยนะแม่มารก็คือมารมันยังเข้ามานะไม่เชื่อก็เหมือนคุยกับตัวเองนะมันเหมือนคุยรู้เรื่องอะนะแอรพักหนึ่งเอาอีกแล้วเนะนี่ย น, นะปัดดื้อก็ดื้อตาใสเหมือนกันอะนะ ก็ดื้อยังไงมันรู้สองกระจกดูเธอเนี่ยบางทีจะเอาอะไรนะบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกเนี่ยนะทําเป็นบัณฑิตไปงั้นแหละบางทีมันจะเอาบางทีเอาเรื่องก็เอาเรื่องงั้นใชมันแกล้งเรียกว่าแกล้งอะไรนะแกล้งหกุศลเกิดขึ้นกับแหมแป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วก็พระโมคคานะก็บอกมาเนี่ยท่านอย่าสําคัญว่าบาปจะไม่ให้ผลแก่เราอย่าคิดนะว่าบาปใดที่ตัวทํำแล้วบาปเหล่านั้นจะไม่ให้ผลแก่เรา อย่าลืมนะสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดวันนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้รับต่อไปใน้ังหน้าพันท่านประทุษรายผู้อื่นท่านจะได้รับการประทุษรายตอบในอนาคตท่านเบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมท่านจะเดือดร้อนแน่นอนในอนาคตท่านจะคิดว่าบาปมันจะไม่ให้ผลนะ เพราะการกะชนผู้ที่สั่งสมบาปจะโอดครวนสิ้นกาละนานใช่ไหมเวลาพบาปมันให้ผลนนนนนนนนนเนีโอ้ยบ่นบ่นบนบนเลยทุกขร้อนเอะอะโวยวายทำไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราทํำไมโลกจึงกลุ่มรุมเราไอ้ที่ตอนทําบาปเมื่อกี้คิดอย่างงี้นะแต่เวลาบาปมันให้ผลแล้วโอดครวนครางงงง ง, ง, งเลยนะว่านี่มาแล้วไม่ใช่ไม่ได้คนอนะคนเนี้ยก็มีวิธีครวนอีกหลายวิธีแต่สรุปว่ามันเจ็บปวดกันแล้วกันนะอ่ะมนัน ท่านเบื่อหน่ายในพระพุทธเจ้าท่านก็จะได้หวังความอวังความพินาศในพระภิกษุทั้งหลายเลยจริงอยู่ท่านเกลียดพระพุทธเจ้ามันก็เรื่องส่วนตัวของท่านแต่ท่านไปเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นต้นน่ะมันเป็นบาปมันน่ะคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะแต่ก็บอกแล้วนะว่าท่านอย่าได้เบื่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าเลยถึงท่านจะเกลียดพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเบียดเบียนคนอื่นทั่วไปหมดภิกษุ คือพระโมคขาลานะได้คุกคามมานในเพศสกาวันด้วยประการชนี้นลำดับนั้นมานก็เสียใจเนี่ยนะเข้าไปในท้องแป๊บเดียวนะถูกเทศยาวเลยใช่ไหมโอ้ยหนักเลยงานนี่รับแเป้ไปเลยเสียใจหายไปจากที่นั้นกลับไปนอนบ้านอยู่วิมานปรินิมิตตะ ว, วัสวดีเรียแผลเนี่ยนะจะเรียกว่าแม่ไม่น่าเลยเน่ยนะเพร่จริงอ่ะนะมานก็คือมันก็เป็นอย่างงี้จริงๆเลยนะมันเรียกว่า บางคนเนี่ยมีความสุขในการหาเรื่องอะ่ะถ้าอยู่โดยที่ไม่มีเรื่องไม่มีเราเข้ามากระทบเนี่ยมันมันมันคันหัวใจเหลือเกินเนี่ยมันต้องไปหาเรื่องขึ้นมาถ้ามีเรื่องแล้วมันต้องแก้ปัญหานะ่ะโอ้ยมันเหมือ น, นตัวเองได้ทําอะไรเนี่ยนะบางคนก็อย่างว่านะสัพเพสัตตาอเวราหนตุเขาก็เป็นอย่างนี้กันแหละทีนี้เกี่ยวกับเรื่องพระโมคขลานะเนี่ยนะความมีดีของท่านเนี่ยอย่างในอัตถกถาท่านก็บอกว่าให้เอาเรื่องนันโท ป, ป น, นันท่านนาคราชมาอ่านให้ฟังด้วยนะเหมือนกัน ก็เลยจะเอาเกี่ยวกับเรื่องพระโมคคัลลานะต่อสู้กับอ ะ, อะไรนะนันโทปนันทนาคราชในคาถาพาหงแปดบทเนี่ยนะคาถาพาหง8ดบทมีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าชนะชนะนาคเนี่ยนะในหน้าหนึ่งเนี่ยที่บอกว่านันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนเทระพุชเคณธรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทเนี่ยนะ พระจอมมุนีทรงโปรดให้พระมหาโมคลานะเทระพุทธชิโนรสเนรมิตรกายเป็นนาคราดไปฝึกพญานาคราดชื่อนันโทปนันทะผู้มีความเห็นผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศกะว่าให้คำแนะนำในการแสดงฤทธิ์เนี่ยนะแก่พระเทระเนี่ยนะอันนี้ก็มาดูรายละเอียด <c oughs> เรื่องมีว่าวันหนึ่งเนี่ยนะสมัยหนึ่งท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยฟังธรรมของพระศาสดา พอฟังทำจบก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะกราบทูล น, นิมนต์พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสอ์ประมาณห้าร้อยรูปรับภิกษาในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเถอดเนี่ยนะนิมนต์ไปรับอาหารที่บ้านด้วยเถอดแล้วก็ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปพระพุทธเจ้าก็ได้รับคานิมนต์ในเวลากลางวันตกคืนนั้นเวลากลางคืนผ่านไปใกล้ลุ่ง ใกล้รุ่งเช้าเนี่ยนะพระองค์ก็ตรวจดูโลกธาตุตลอดหมื่นจักรวาลลำดับนั้นพญา น, นาคราชชื่อ น, นันโทปนันทะก็มาปรากฏในพระยานของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รำพึงอยู่ว่านาคราชนี้มาปรากฏในยานของเราอุปนิสัยของนาคราชนี่มีหรือไม่มีหนอพระองค์ก็เห็นว่านาคราชนี่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยพระองค์ก็พิจารณาต่อไปว่า ใครเนาะจะปลดเปลืองนาคราดนี้จากมิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐินะนมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในพระตถาคตเป็นต้นเนี่ยนะก็เห็นว่าพระมหาโมฆลลานะเทระจะแก้ทิฐิของพญานาคนี้ได้ตั้งอต่ น, นั้นราตรีสว่างหลังจากที่พระองค์ปฏิบัติสรีระเสร็จแล้วพระองค์ก็เรียกพระอ น, นุ์มาว่าเรียกพระอนุนมารับสั่งว่าอา น, นุ์ เธอจงบอกแก่ภิกษุห้าร้อยรูปให้ทราบว่าตถาคตจะไปเที่ยวในเทวโลกว่าพระพุทธเจ้าจะไปสวรรค์มั่งนั่นแหละก็ในวันนั้นพวกนาคผู้เป็นบริวารเนี่ยนะจัดสถานที่ดื่มสุราให้แก่นันโทปนันทนาคราชให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาว่างกันหรือไงเนาะพอว่างปั๊บให้บริวารมาล้อมนะ่ะล้อมหลังแลก็ดื่มเหล้าก็มีอยู่เท่านี้เนาะงานนะเนาะเอ๊ะภารกิจมันก็เหมือนกับว่ากิจกรรมหลักๆ ก, ก็อยู่เท่านี้นะ ก็สแสวงหาอำนาจเมื่อมีอํานาจทําอะไรชวนกันดื่มเหล้าไงดื่มเหล้าเมาแล้วเออะไม่มีใครกล้าว่าอะไรเนี่ยนะก็บางทีก็เหมือนกับว่าทําตัวอยู่เท่านั้นจริงๆอ่ะนะทีนี้นันโทปนันทนาคารก็ให้บริวารเนี่ยนะล้อมรวมกันดื่มเหล้าทีนี้เธอนี่มีสเวตชัติอันเป็นทิพย์เนี่ยนะเขากั้นเอาไว้บนบลังแก้วอันเป็นทิพย์บอลังก็บอลังแก้วมีเวตชัติเนี่ยนะโอนั่งแบบว่าโต๊ะอย่างสง่างามเนี่ยนะมีนักฟ้อนสามพวก อันนะพวกฟ้อนรำขับร้อมเนี่ยนะก็มีดนตรีหลายๆประเภทเนี่ยนะแล้วก็มีนาคบริษัทเวทล้อมแล้วก็นั่งดูวิธีการจัดแจงอาหารเครื่องดื่มเข้าไปตั้งไว้เป็นภาชนะทิพย์หมดทีนี้อนนะฝ่ายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บันดาลให้หนาคราชเห็นพระองค์ผู้กำลังมุ่งพระพักไปทางเทวโลกชั้นดาวเดืองพร้อมกับพระพิสุประมาณ500รรูป โดยผ่านที่สุดเพดานของนันโธปนันทนาคาราพระพิสูจน์เนี่ยนะเดินเดินไปขึ้นเรียกว่าเดินจะไปสวรรค์เนี่ยค่อยๆเดินทีนปัญหามันเดินบนเข้าว่าเดินทับหัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับเดินทับข้ามมิมานไปอ่ะแหมมันสุดๆเมื่อกี้นั้นะเหมือนกับว่ามองเห็นแล้วท่านเดินเหล่านั้นเดินข้ามคร่อมไปหมดเลยอ่ะสมัยนั้นนันโธปนันทนาคราเกิดความเห็นอันเป็นบาป ถึงขนาดนี้ว่าแม่สมณะหัวโลนเหล่านี้พากันเข้าๆกับออกเดินไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะไปยังที่อยู่ของเทวดาดูใช้อํานาจเหนือเราขึ้นทุกทีทุกทีไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยเนี่ยนะจะเดินข้ามไปที่อื่นก็ไม่ได้เดินผ่านหัวเฉียวหัวเราไปหัวเรามาน่ยนะเหมือนกับโปรยฝุน่นทุลีลงใส่หัวพวกเราตั้งแต่บัดนี้ไปเราจากไม่ยอมไม่ทันเป็นแบบนี้กระดีกเพราะฉะนั้นเดินข้ามหัววันนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี่ก็จะ หมดโอกาสทําไงดีเลิกและพอกันทีเสร็จแล้วก็พญา น, นาก็ไปยังเขาสินิรุเลยเนี่ยนะละอัตภาพขยายอัตภาพให้ตัวเองเนี่ยใหญ่ใหญ่ขนาดไหนะใหญ่เท่ากับอ้อมภูเขาสินิรุได้เจ็ดชั้นอ่ะนะใหญ่มากเลยนะขนดเขาใหญ่มากเลยเรียกว่าใหญ่ถึงขนาดว่าคลุมเขาซินิรุได้ตัวใหญ่มากแล้วก็แผ่พังพานครอบเมฆสวรรค์ชั้นดาววดึงได้อะ่ะใหญ่ขนาดนั้นอ่ะนะ พื้นที่ดาวดึงเนี่ก็เป็นพื้นที่เป็นหมื่นโยต์อะเมืองใหญ่โตมากขนาดนั้นก็แผ่พังพาในคลุมเลยเหมือนเมฆไงเหมือนเมฆใหญ่ๆแล้วครอบครุบเรียบร้อยเลยครั้งนั้นท่านพระัฐบาลก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคกจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นภูเขาสินเนรูมองเห็น เขาท e. ี ro, ่ล้อมรอบภูเขาสินเนรุมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวเดืองมองเห็นเวชยันตประศาสา์มองเห็นธงบนยอดเวชยันต์ประศาสา์ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้เพราะเหตุไรหนอบัดนี้ข้าพระองค์จึงไม่เห็นภูเขาสินเนรุปกติยืนตรงนี้ต้องเห็นสินี่ก็ไม่เห็นภูเขาสินเนรุไม่เห็นดาวเดืองไม่เห็นเวชยันตประศาสา์มองไม่เห็นเลยเหมือนครั้งก่อนพระองค์ก็ตรัสว่ารัฐบาล ตอนนี้นาคราชที่นันโธปันันทะเนี่ยเขามีความโกรธแค้นขุนเครืองพวกเธอก็เลยเอาขนดเนี่ยนะพันรอบภูเขาศิริรุ่เจ็ดชั้นวางพังวางพังพานเนี่ยนะปกปิดกั้นเอาไว้เบื้องบนทําให้มืดหมดพระัฐบาลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปฝึกนาคราชนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตแม้พิสูจนอื่นๆก็มาขออนุญาตกราบทูลเนี่ยนะขออนุญาตมีพระพัทยพระราหุลเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาต ท้ายที่สุดพระโมคขาลานะก็ขออาสาพระองค์ก็บอกอว่าข้าพระองค์จะไปทรมานนาคราชพระเจ้าค่ะพระองค์ก็อนุญาตว่าเธอจงไปฝึกนาคราธเธอ พระมหโมคคลานะก็ละอัตภาพแปลงเพศเป็นนาคราชรูปร่างใหญ่โตเนี่ยนะใหญ่ขนาดว่าโอพันทับขนดของนันโทปันทนคาราชอีกก็เรียกว่ากลายเป็นงูเล็กงูน้อยไปเลยเนี่ยพมะโมคลานะใหญ่กว่าเป็นร้อยเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเนี่ยนะคลุมเนี่ยนะย ก, เกเ็เรียกว่า ง, งูเล็กก็เ ร, เ, เรียกว่างูใหญ่พันทับงูเล็บเข้าไปจะเป็นยังไงใช่ไหมกเรียกว่าวางคลุมไปสิบสีชั้นเนี่ยนะพังผานของตนก็ไปทาบเหนือพังผันของนาคราช บีรัดเข้ากับภูเขาซีเนรุเข้าเนี่ยนะนาคราชโกรธแค้นมากนันโทรไนันเขก็โกรธบอกว่านี่ก็เลยบังหวนควันต่อสู้เ้าเรียกว่ามังกรพ่นควันเน่ยนะคืเมืองจีนนี่เขาจะเรียกนาว่ามังกรเนี่ยนะก็มังกรพ่นควันก็พายางูเนี่ยพ่นควันพระโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่ท่านจะพ่นควันได้อย่างเดียวเท่านั้นเราก็พ่นควันพระโมคคัลลานะก็พ่นออกไปเหมือนกันควันนี่ก็ควันต่อควันก็มาชนกันนะแต่ควันของ หน้าทำอันตรายพระโมคขาลานะไม่ได้ควันของพระโมคขาลานะเป็นอันตรายแก่แก่นาเนี่ยนะก็เดือดร้อนควันรมตาน้ำตาไหลเน่นะ